สวัสดีครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่24นะครับหัวข้อย่อยคือพระเยซูเผชิญการทดลองตอนที่หนึ่งครับพี่น้องครับหลังจากที่พระเยซูทรงรับบัพต์มาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็นำพระเยซูเข้าไปในถิ่นพระกันดานเพื่อให้มารซาตานทดลองการทดลอง หรือการล่อลวงโดยมารซาตานนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับทำไมถึงเป็นสิ่งที่จำเป็นครับเพราะว่าคำตอบสั้นๆนะครับภาษาอังกฤษเรียว่า he is human นะครับพระเยซูของเรานี่โรงทรงเป็นมนุษย์ครับนะอปรงทรงเป็นมนุษย์เต็มร้อยเปอร์เซ็นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบโรงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องเผชิญกับความหิวเผชิญกับความกระหายเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วย เผชิญกับความเจ็บปวดปเผชิญกับการทดลองและในขณะเดียวกันครับในทางตรงกันข้ามพระองค์ก็สามารถที่จะชื่นชมินดีพระองสามารถที่จะมีความสุขพรงต้องพักผ่อนพรงแม้ว่าจะมีความโศกเศร้าพรงก็หัวเราะได้แม้ว่าจะร้องไห้พรงก็มีอารมณ์ความรู้สึกในทางบวกทางลบเช่นเดียวกับพวกกัาทั้งหลาย พี่น้องครับหลังจากการบัพติศมานั้นหรือหลังจากการประกาศตัวเข้าสู่การรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่สมบูรณ์แบบนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นภาพที่ตามมาทันทีเลยก็คือเฟรเซต้องเผชิญกับการทดลองที่นี่จะเป็นบทเรียนบทเรียนแรกของเราในวันนี้นะครับก็คือว่าเมื่อใครก็ตาม หรือพวกเราหลายๆคนที่พร้อมในการรับใช้พระเจ้าปรนนาตัวของเราเองในการรับใช้พระเจ้าแน่นอนครับการทดสอบความเชื่อทดสอบความตั้งใจทดสอบความมุ่งมั่นในการรับใช้พระเจ้าย่อมเกิดขึ้นตามมาครับอันนี้เป็นบทเรียนแรกแี่นองครับเนื่องจากเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพระเจ้าของเราพระเยซูนะครับพระเจ้าของเราคือพระเยซูคริสต์ในพระภาคที่สองคือพระบุตรนั้น ก็เป็นมนุษย์เต็มที่เต็มสมบูรณ์แบบทรงต้องประสูติในโลกนี้ตรงต้องเติบโตที่นาสเสร็จทรงรอคอยการทรงเรียกของพระเจ้าเมื่อถึงเวลาพระเจ้าให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้แล้วพี่น้องครับบัพติศมาเป็นเหตุการณ์แรกที่บันทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของพเพียชูตอนพยชูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วและการ เชิญกับการทดลองก็เป็นเหตุการณ์ต่อมาปรับเป็นเหตุการณ์ที่สองที่เพระกัมพีได้บันทึกไว้ลูกานะครับได้บันทึกว่าพระเยซูทรงมีอายุเท่าใดเท่าใดครับในเมื่อทรงเริ่มต้นปฏิบัติราชกิจของพระเจ้าคําตอบอยู่ในบทที่สามข้อยี่สามครับทรงมีพระชนมายุประมาณสามสิบพรรษาครับพี่น้องครับบทเรียนในวันนี้นะครับผมต้องขออภัยนิด น, นึงเมื่อ ครั้งที่แล้วเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของการบัปติศมานะครับด้วยน้ำมากน้ำน้อยนะครับหลายคนอาจจะมีความรู้สึกไม่ดีกับผมแต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ไม่ไม่ว่าท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับพระชนะพระเจ้าก็ไม่ได้ลงความเห็นชัดเจนว่าโปรง่งรับบัปติศมาด้วยการน้ำมากหรือน้าน้อยยังมีข้อโต้แยง้งยังมีข้อถกเถียงกันอยู่จนกระทั่งถึงวนันนี้หากไม่เป็นเช่นนั้น เราคงไม่มีนิกายหรือไม่มีความเห็นแตกต่างกันหรือไม่มีสำนักนะครับในทางศาสนาที่แตกต่างกั น, นครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาที่อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันได้แต่เรายังเป็นพี่น้องกันได้นะครับถ้าว่าเรามีความเชื่อหลักที่ถูกต้องเหมือนกันพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเปิดใจฟังและยอมรับซึ่งกันและกันนะครับผมจะขอกลับเข้ามาต่อในเรื่องราวของวันนี้ ในเรื่องราววันนี้นั้นมีหลายตอนด้วยกันนะครับผมแบ่งย่อยๆเป็นสี่ตอนบทเรียนในวันนี้นั้นมีบันทึกอยู่ในมัตถิวมาลโกลูกาแต่ไม่มีในยอหน์นะครับพี่น้องครับมารโกรอได้ชื่อว่าเป็นคนที่ชอบเล่าเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูอย่างร ว, รวบร่รวบพัดร่วบพัดนะครับกระชับมากเขาเล่าว่าพระเยซูถูกทดลองนานกี่วันใครมาทดลอง แต่รายละเอียดไม่มีครับมัทธิวก็เช่นเดียวกันหลังจากที่บันทึกเรื่องการรับปรสมาของพระเยซูมัทธิวก็บันทึกถึงการทดลองทันทีและให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลา40วันในถิ่นทุรกันดารที่พระเยซูได้ทรงอดพระกยายหารลูกาครับหลังจากจบลําดับวงวันวงวานของพระเยซูนะครับและลูกาเรียกพระเยซูว่าพระบุตรของพระเจ้านะลูกาก็ ได้บันทึกถึงเรื่องราวของการถูกทดลองของพระเยซูพี่น้องครับมักจะมีคำถามว่าพระเยซูถูกทดลองที่ไหนนะครับหากพี่น้องได้ไปทัศน ศ, ศึกษาที่อิสราเอลนั้นไกด์ก็จะนำเราเท่าไปและก็ไกด์เองก็ชี้เห็นนะถึงสถานที่ที่เชื่อกันว่าพระเยซูถูกทดลองในถินตัวกันดาร น, นั้น ก็อยู่ใกล้เมืองเยเรโคครับอยู่ใกล้เมืองเยรรโคตามประวัตินะครับก็อยู่ในช่วงช่วงนั้นจริงๆครับแถวๆนั้นจริงๆนะครับแล้วก็สภาพของอิสราเอลนะครับก็คือถิ่นทั่วกันดานครับถิ่นทั่วกันดานในใกล้ๆเมืองเยเรโคนั้นเท่าที่เราไปดูของจริงนะครับก็เป็นถิ่นทั่วกันดานที่เป็นภูเขาสูงนะครับแล้วก็มีหน้าผาชันมากเลย ถ้าเป็นถิ่นทั่วกันดานไม่ค่อยจะเห็นต้นไม้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถินทั่วกันดานของพระเยซูที่ใกล้เมืองเยริโคนั่นซาตานก็ล่อลวงพระเยซูโดยอย่างแรกก็คื อ, อความอยากนะครับความหิวกระหายทางด้านร่างกายนะครับภาษาอังกฤษใช้กว่า the last of flesh ซาตานนาพระเยซูมาถึงจุดสูงสุดของพระวิหารนะครับเพื่อ การทดลองครั้งที่สองเกี่ยวกับด้านชื่อเสียงนะครับหรือด้านความหญิงเยโสนะครับคือ Pride นะครับก็คือความหญิงยโสแล้วก็ประการที่สามครับการทดลองครั้งที่สามซาตานก็ล่อลวงให้พระเยซูต้องการได้อำนาจความยิ่งใหญ่นะครับอำนาจความยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายนะครับเราทุกคนนั้นก็ชอบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับ เป็นเรื่องที่สำคัญมากพี่น้องครับอีกสามสี่วันที่จะถึงนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองทั้งสามอย่างโดยละเอียดนะครับและเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูจะต้องถูกทดลองนะครับถูกทดลองด้วยผมจะพยายามนะครับให้อยู่ในห้าถึงเจ็ดนาทีนะครับต้องขออภัยหลายๆท่านที่ไม่สามารถที่จะฟังได้ตลอดนะครับ แต่ผมจอพยายามย่นย่ออยู่ในไม่เกินเจ็ดนาทีนะครับประมาณนี้นะครับขอพระคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าอวยอพรพีกก่น้องทักทุกท่านอาเมน